มีทานประกอบหลักกา ร, รวิบากบุญใหญ่กับบาปหนักบางทีก็มาด้วยกันเหมือนเหรียญสองด้านครั้งหนึ่งนานแสนานานมาแล้วหญิงคนหนึ่งมีโอกาสทำบุญกับพระพุทธเจ้าและเหล่าอริยาสาวกด้วยความเลื่อมใสยิ่งวันนางยิ่งเห็นผลดีที่เกิดขึ้นกับจิตใจเมื่อเป็นกุศลสว่างสวยัย ทั้งโลกก็เหมือนอบอุ่นปลอดภัยและตนเองดูสูงส่งมีสง่าราศีมากขึ้นทุกทีด้วยความเชื่อมั่นในบุญญาธิการของตนนางปักใจว่าตายไปจะต้องเกิดในที่สูงและความสูงส่งนั้นจะคงอยู่เรื่อยๆไม่สิ้นสุดซึ่งหลังจากตายเพราะกายแตกนางก็ได้ไปสวยสุขบนสวงสวรรค์ตามที่เชื่อจริงๆเนื่องจากชาตินั้นไม่ได้ก่อกรรม อันเป็นเหตุขัดขวางทางขึ้นสูงเอาไว้หมดบุญบนสวรรค์นางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติถัดมาความติดใจในจริตของหญิงส่งให้ได้ครองอัตภาพหญิงอีกบุญเก่าคือทานที่ทําด้วยความเลื่อมใสกับศีลที่รักษาไวด้ดีตกแต่งให้นางเป็นหญิงรูปงามหมดจดบุญเก่าคือการถ่ายทอดธรร ม, มะให้ญาติฟัง ด้วยความปรารถนาดีบริสุทธิ์ใจตกแต่งให้นางฉลาดจัดและบุญเก่าคือความอ่อนน้อมต่ออริยะเจ้านำนางไปสู่ตระกูลใหญ่ประดับราชนิกูลพูดง่ายว่าบุญเก่าส่งให้นางกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมยิง่งเลอเลิอดยิง่งไปที่ไหนไม่ต้องเป็นรองใครเลย แต่ด้วยเพราะไม่อาจจำบุญเก่าได้และชาติใหม่หาบุคคลอันเป็นที่ตั้งของความนอบน้อมไม่เจอนางจึงเย่อหยิ่งถือตัวและเอาแต่ใจถ้าโม โ, โหก็อารวาดกราดเกรียวโดยเฉพาะกับผู้น้อยที่อยู่ในฐานะต่ำกว่าตนยิ่งเมื่ออายุมากขึ้นก็ยิ่งไร้เหตุผลเอาแต่ใจและปากร้ายด่าทอไม่เลือกจนสุดที่ใครจะห้ามปรามเข้าสูตรดีก็ดีใจหาย เวลาร้ายก็ร้ายเหลือแสนเมื่อถึงอายุไขแห่งความเป็นมนุษย์บาปทางปากส่งให้ไปเกิดในชาติพันธ์ของสุนัขมีเสียงเหา่าเป็นเครื่องสะท้อนอาการที่จิตยึดติดคาด่าท อ, อยากคายแต่บุญเกา่าซึ่งมีหน้าที่ตกแต่งให้สูงส่งและสะสวยยังไม่หมดจึงไปเกิดเป็นสุนัขน่ารักและสุนัขน่ารัก ที่ฉลาดเหมาะกับความเป็นนางก็คือพันธุ์ที่โลกปัจจุบันเรียกกันว่าพุทเดินนางในอัตภาพสุนัขยังคงความรู้สึกเดิมๆ เ, เพรางอัตภาพที่ได้มายังดูสูงส่งแม้จะเป็นความสูงส่งในอบายภูมิประกอบกับที่นางมีเจ้าของเป็นคนร่ํารวยประครบประงมอย่างดีและเล่นกับนางอย่างเพื่อนซึ่งก็เพราะเคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาจริงๆในอดีตชาติ จึงหล่อเลี้ยงความเยื่หยิงดื้อรั้นเอาแต่ใจไว้ไม่หายไปไหนยิ่งนายตามใจก็ยิ่งเหลิงซึ่งก็ทำความแปลกใจให้แก่เจ้านายของนางบ้างพรอนิสัยค่อนข้างผิดแปลกแตกต่างจากพันพุดเดินด้วยกันซึ่งโดยทั่วไปนิสัยเยื่หยิงถือดีจะเป็นพวกพันเทอรีอาซิมากกว่าเมื่อได้อัตภาพที่ผูกความเยื่ยยิงและความเอาแต่ใจไว พบหรือภาวะแห่งความเป็นสุนัข ก, ก็ไม่ขาดหายเมื่อตายไปก็เข้าท้องสุนัขอีกและบาปแห่งการถือดีเอาแต่ใจเริ่มให้ผลเบียดบังบุญเกา่าต้องไปอยู่กับเจ้านายที่ไม่เอาใจไม่ประครบประงมกับทั้งชอบดุและตีเมื่อทำผิดเล็กๆน้อยๆทำให้นางจ่อยไปเพราะไม่รู้จะอวดกำแหงกับใพรภายใต้กรอบจากัดของอัตภาพสุนัขแสนสวย นี่ก็เป็นเยี่ยงอย่างให้เห็นว่าติดนิสัยไม่ดีเพียงอย่างเดียวก็อาจโดนนิสัยนั้นจุดลากลงต่ำไปเรื่อยๆเหมือนลงที่ลาดได้จากต่ำอยู่แล้วก็ยิ่งต่ำลงไปมากกว่าเดิมอีกโดยมากผู้มีบุญหนักสักใหญ่นั้นต้องจอยถึงจะดีเช่นแนนิทานเรื่องนี้ความจอยของนางสุนักได้ขุดเอาความรู้สึกดีๆกลับมาใหม่ เมื่อจิตหลุดจากพันธะคือความปากร้ายเหา่าทรงเดชและความเห่าแต่ใจตัวอย่างร้ายกาจความรู้สึกดีๆที่เป็นบุญก็กลับมาความสว่างของบุญเก่าก็ได้ช่องหลังตายจากชาตินั้นก็มีโอกาสเกิดในที่สูงระดับมนุษย์อีกบุญเก่าของนางคอยจ้องจะอุปถรัรมม์อยู่แล้วขอเพียงไม่มีนิสัยเสียๆมาขวางเท่านั้นด้วยความเสแงงิ้มที่ติดตัวมา พอได้เป็นมนุษย์ก็ทำให้กลายเป็นสาวแสนดีได้ใหม่กับท้งนิสัยเก่าที่เคยทำบุญกับนักบวชผู้น่าเลื่อมใสก็กลายเป็นชนวนให้ขวรควายทำบุญเช่นนั้นอีกและเป็นเหตุให้ได้สวยสวรรค์อีกวนเวียนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ระดับราชนิกรนี้บุญใหญ่กับบาปหนักบางทีก็มาด้วยกันเหมือนเหรียญสองด้าน อบายภูมิใกล้ชิดเราเกินกว่าจะคาดถูกเหตุอันสมควรแก่การเป็นสัตว์ก็ไม่ต้องชั่วร้ายมากอย่างที่หลายคนคิดคนทั่วไปจะไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าวันหนึ่งตนเองอาจพลัดลนไปสู่ความเป็นเดรัจฉานภาพคร่าวๆของนางแสดงให้เห็นวงเวียนวัตตะขึ้นสูงและมีเงื่อนไขดึงให้ลงตำ่ำลงต่าและมีเงื่อนไขจุดให้ขึ้นสูง ขอเพียงรู้แจ้งมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ร้ายหนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากกรรมแต่คนหลังท่าไหนเราจะไม่เสียเวลาร้องไห้คร่ำครวญให้กับเรื่องร้ายนั้นๆหรือถึงแม้กลั้นน้ำตาและอาการสะอึกสะอื้นไม่ได้เราก็จะไม่นึกเสียใจน้อยใจหรือกระทั่งปล่อยใจให้หดหู่อยู่กับจังหวะไม่ดีของชีวิตกันเลยแต่จะเร่งเพียรทาดีเพื่อให้พ้นอบาย และสุดท้ายเพียงเพื่อพบทางออกจากความไม่แน่นอนของสังสารวัตอันจัดเป็นวงจรอุบาทนีเสีย